ตอนนี้เรากําลังเรียนเอกสารพุทธคุณอยู่เนะาะทสุตระสูตรทสุตระสูตรนี้เป็นธรรมะหมวด10แล้วก็แสดง10ครั้งเนีนะ่คือธรรมะ1นถึงสิเนี่ยนะแสดงอย่างนี้10ครั้งเบรียกว่า550เท่ากับว่า550หัวข้อแสดง1นอย่างเดียวนะหเนี่ยแสดงอย่างหนึ่งสิครั้งสองสิ 2, ครั้ง3ามครั้ง40ครั้งอย่างเงี้ยนะ เรว่าธรรมะหมวดหนึ่งถึงสิบอ่ะแสดงอยู่สิบครั้งก็เยว่าถ้าสุตรสูตรถ้าสูตรเกินเกินห้าร้อยห้าสิบข้ อ, อทั้งหมดทีนี้เฉพาะสูตรที่กำลังพูดถึงอยู่นี่หมายถึงถ้าสุตระสูตร ถ้าสุตระโส ท, ที่กล่าวถึงตอนนี้คือธรรมะที่ควรให้บังเกิดขึ้นเนี่นยนะคือถ้าทำให้ได้บังเกิดขึ้นได้เนี่ยถือว่าเป็นความดีอย่างยิ่งทีนี้อยากจะทบทวนอีกครั้งหนึ่งว่าธรรมะในพระพุทธศาสนาะนะถึงจะกล่าวอย่างไรก็ไม่พ้นอริยสัจวีเนี่นยนะ ัการเจริญสัญญาเจประการสัญญาในที่นี้หมายถึงหมายถึงอะไรหมายถึงปัญญาเห็นไหมปัญญาอันนี้นับว่าอีกชื่อหนึ่งว่าสัมมาทิฐิเห็นไหมเรียกว่าสัมมาทิฐิซึ่งหนึ่งในองค์มรคข้อแรกนะในมรคมีอง์แปดตัวนี้แหละที่เรียกว่า ธรรมะที่ควรให้บังเกิดขึ้นที่เราเรียกโย่อๆว่าต้องเจริญหรือต้องมาภาวนาเนี่ยนะหรือทำให้เกิดขึ้นในจิตบ่อยๆคือให้จิตของเราเนี่ยเป็นไปกับสัญญาอันนี้เป็นไปกับปัญญาหรือสัมมาทิฐิอันนี้ให้มากๆทีนี้สัญญาหรือปัญญาอันนี้คิดถึงอะไรเนี่ยนะเพราะว่าตัวสัญญาตัวปัญญาอันนี้เป็นนามธรรมนนะ อีกครั้งหนึ่งนะการคิดอะไรในพุทธศาสนาอย่างไรเสียก็ไม่พ้นการคิดอริยสัจสี่เนี่ยนะตอนท่าเห็นชัดแล้วว่าตอนแรกบอกให้เจริญมัคก่อนนะอันนี้เท่ากับมัคในบรรดาสัญญา7ประการเนี่ยนะสัญญาตัวแรกคืออนิจจสัญญาข้อ2อเนี่ยนะอนตัตตสัญญา3 อสุภาษสัญญาข้อสี่อาทีนวะสัญญาอนนี้จะสัญญานี้แสดงถึงขันห้าอนัตตสัญญาแสดงอายตนะ 12, สิองอสุภาษสัญญาแสดงอาการสาสสองอาทีนวสัญญาแสดงโรคต่างๆเนี่ยนะซึ่งขันห้าอายตนะสิบสองอาการสาสิบสองหรือโรคเนี่ยนะก็คืออุปาทานขันห้าเนี่ยนะก็ เรียกจะเรียกขัน5ก็ได้เรียกอาการ32ก็ได้หรือจะเรียกแบบอาการ32ถ้าอาการ32ก็เท่ากับแสดงท่าสด้วยแล้วเนี่ยนะเท่ากับแสดงท่าส4แล้วัทั้งหมดนี้คือทุกขสัตร์เนี่ยนะชั้นแรกให้เจริญปัญญาพิจารณาทุกขสัตว์ส่วนปหานาสัญญา ปหา r สัญญานั้นหมายถึงการละอะไรละอกุศลวิตกสามอากุศลธรรมทั้งหมดที่เหลือเนี่ยนะอันนี้เป็นสมุทยสัจจะส่วนสัญญาที่เหลือสองประการเป็นนิโรสัจจะหมดเลยเนี่ยนะคือวิราคะสัญญา กับนิโรธสัญญาน่นนะปัญญาที่มาคิดถึงทุกสมุทัยและนิโรธอันนี้ควรเจริญควรทำให้บังเกิดขึ้นให้มากผู้ที่เจริญนะถ้าไม่เจริญครบกระ บ, บวนความนะพอไปเจริญเฉพาะอา น, นิจจสัญญาณตาหรืออาสุภะอาทีินวะปกตินะถ้าหยุดอยู่แค่นี้ชีวิตค่อนข้างแหงแรงเหมือนกันเถอะ ค่อนข้างแห้งแรงถามว่าทำไมจึงแห้งแรงมันเหมือนกับคิดถึงแต่ทุกอย่างเดียวคิดถึงแต่กองทุกเพราะฉะนั้นก็ควรคิดเลยมาหาเออที่เราเจริญแบบนี้พิจารณาแบบนี้ก็เพื่อต้องการละกิเลสนะเพื่อต้องการละอากุศลวิตกในวัตถุนั้นๆ น, น, นี้การละอกุศลวิตกก็เพื่อทาให้แจ้งเนี่ยวิราคะหรือนิโรธาซึ่งเป็นชื่อของ นิพพานเนี่ยนะที่สงบระ ง, งับสังขารสละคืนอุปธิทั้งปวงเนี่ยนะเป็นที่สิ้นไปแห่งตันหาเป็นที่ดับโดยไม่เหลือเนี่ยนะสละกิเลสสละกองทุกทั้งหมดเนี่ยนะสละกิเลสกับทุกทั้งหมดนั่นก็มาคิดอย่างงี้นะทัวนอีกครั้งหนึ่งว่า พยายามคิดให้ให้ครบชุดงั้นเด้อคิดให้ครบชุดชุดแรกให้คิดทุกขศัตทุกขศัตต์ก็คือการเจริญอนิจจสัญญาณตาสัญญาอสุภาษสัญญาอาทีนวสัญญาเพื่อให้เห็นโทษที่สุดเท่าที่จะเห็นได้ในอุปาทานขันห้าทีนี้เห็นโทษก็เพื่อต้องการละจิตที่เป็นอกุศลเมื่อเกี่ยวข้องกับขันห้าทีนี้การละอกุศลเหล่านั้นก็เพื่อแทงตลอดธรรมะที่ สงบประงับดับคืนกองทุกทั้งมวลตัวที่สำคัญที่น่ารังเกียจมากที่น่ากลัวมากที่สุดคือตัวเนี่ยสมุทยัยหรืออากุศลวิตกอากุศลวิตกอันนี้ถือว่ามีโทษเและก็เป็นภัยเป็นภัยนี้แปลว่าน่ากลัวอันนี้จำเป็นต้องละ แต่ถ้ากล่าวตามลำดับให้เห็นนะถ้าไม่เจริญอนิจจสัญญาอนตัตตสัญญาอสุภาพสัญญาอาทีนวสัญญาเนี่ยถ้าไม่เจริญเช่นนี้เป็นไปได้ไหมที่จะละอกุศลวิตกเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วเนี่ยนะเพราะฉะนั้นอย่างเมื่อคือนเนี่ยเมื่อคือนเอาปินโนระยะสูตรมาแสดงเนี่ยนะกล่าวว่าอากุศลวิวตกสามคือการวิตกพยาบาทวิตกวิหิงสาวิตกอกุศลวิตกทั้ง3ประการเนี่ยละได้ด้วย อนิมิตะสมาธิอนิมิตะสมาธิก็คืออันเดียวกันกับอานิจจสัญญานั่นแหละเดี๋ยนะเพราะผู้ที่เจริญอานิจจสัญญาในขันห้าอนัตตสัญญาในอายตนะ12อสุภาสัญญาในอาการ32องอารทิราวสัญญาพิจารณาโรคทั้งหลายในร่างกายมากๆยะละอากุศลวิตตกหรืออากุศลธรรมทั้งหลายเมื่อไปเกี่ยวข้องกับวัตถุเหล่านี้เอ่อ กิเลสเนี่ยนะถ้าจะเกิดมันจะเกิดที่ไหนหรืออากุศลวิตตกถ้ามันจะคิดอ่ะมันคิดถึงอะไรมันก็คิดถึงขันธานั่นแหละถ้าจะบาปนะคิดทําให้มันเป็นบาปก็คิดถึงขันธ์หหรือคิดถึงอายตนะ12หรือคิดถึงอาการ32หรือคิดถึงโรคต่างๆนั่นแหละอากุศลวิตกก็คิดเอ๊คิดถึงโรคกิเลสเกิดได้หรือได้ไหมถ้าคิดว่าโรคจะมีในตัวเองอะไรเกิด คุณจะเป็นโรคอันนั้นนะโทรศแล้วคนที่เป็นโรคอันนั้นบอกบอกแล้วมีคนมาบอกว่าคุณจะหายจากโรคอันนี้และอะไรเกิดไม่ถ้าบอกว่ามันหายจริงๆครับ อ, อ้ออวาอกออวากุศลไหมกุศลไหมนั่นนะคือสรุปแล้วนะโรคก็เป็นที่ตั้งแห่งอกุศลวิตกคิดถึงโรคของตัวเองพยาบาทวิตตกคิดให้คนอื่นมีโรคเป็นวิหิงสาวิตก ถ้าตัวเองมีโรคแล้วใครมาบอกแม้คุณจะหายจากโรคนะกา ม, มาวิตตกเกิดขึ้นก็ดีใจอีกนะเพราะฉะนั้นถือว่าสิ่งเหล่านี้เป็นที่ตั้งของอกุศลวิตกเพราะฉะนั้นเพียรเพื่อจะละอกุศลวิตกอันนี้เป็นประหาหนาสัญญาก็คือสายใจที่จะเจริญหรือเพื่อที่จะละสมุทัยสัตว์ทีนี้ต่อไปว่าเมื่อจเจริญแล้วให้น้อมหรือโอนไปหานิโรสัต ที่เราเคยได้ยินว่ามีตนส่งไปแล้วมีตนส่งไปแล้วในที่นี้คือว่าไม่เยื่อใยในสิ่งเหล่านี้เลยเนี่ยนะหนึ่งก็บอกว่าไม่อะไราในขันห้าไม่อะไราในร่างกายไม่อะไราในชีวิตน้อมจิตมุ่งสู่อมะตะเนี่ยนะคือท่าที่สงบประงับ เอางี้ถ้ายังอะไรขันท่าอยู่นะจะแทงตลอดนิโรธได้ไหมไม่ได้ถ้ายังอะไร อ, อาการสามสิบสองนะผมคนเล็บฟันหนังนะจะแทงตลอดอธรรมะคือนิโรธศัต์เป็นไปได้ไหมก็เป็นไปไม่ได้เมื่อเป็นไปไม่ได้เนี่ยเพราะฉะนั้นอาการเห็นโทษจึงสำคัญถ้าถ้าเห็นการเรียงตามมานะจะเห็นลำดับวิปัสนาด้วยในตัวยังไง อนิจจานุปัสสนาก็ไอสิ่งที่ไม่เที่ยงนั่นแหละเป็นอนัตตาแต่ถ้าจะเข้าใจอนัตตก็คือสิ่งนั้นเป็นอสุภะการเจริญทั้งหมดเพื่อให้เห็นโทษเมื่อเห็นโทษจะได้ละอากุศลวิตกละอกุศลธรรมแล้วน้อมจิตมุ่งู่ธรรมชาติที่ที่สงบประงับเนี่ยน ะ, ะตัววิปัสสนาทั้งหลายเนี่ยตัวนี้แหละคือตัวที่ส่งตนไปแล้วนะเป็นตัวที่ไม่อะไรใน ขันท่าจิตเนี่ยน้อมไปสู่ธรรมะที่สงบประงับเนี่ยนะแล้วก็ไอไอส่งอันนี้เพื่อให้อะไรเกิดจุดประสงค์ของการส่งอันนี้นะต้องการสองประการโดย อ, อหนึ่งต้องการแทงตลอดอริยนิพพานโดยอารมณ์ต้องการบรรลุอริยมรรคโดยภาวนาเนี่ยนะโดยภาวนาสรุปว่ามีอัธยาศาั ย, ยสองอย่างเนี่ย ว่าอริยมรรคกับนิพพานน้อมจิตไปหาอันนี้ทีนี้ที่เป็นอย่างนี้ทําไมจึงเป็นอย่างนี้ถ้าเราศึกษาไตรสรารณคมมาย้อนๆมาดีจริงๆนะที่เรานับถือว่าธรรมังสราร น, นังคัจฉามีเอาแบบตรงเลยนะที่เราพูดว่ามรรคสีผลสีนิพพานหนึ่งนะอันนั้นเป็นคําอ้อมแต่ที่ตรงเลยอะ่ะคือธรรมะหมายถึง อริยมรรคกับนิพพานเนี่ยนะที่นับถือว่าทำมังสาระังฆาชามินะหมายถึงอันนี้คําสอนที่เรายกย่องว่าดีเหลือเกินคือคําสอนที่ชี้ให้เห็นมรรคกับชี้ให้เห็นนิพพานเพราะฉะนั้นเมื่อเรานับถือก็เท่ากับมีจิตเนี่ยปรารถนามรรคหรือปรารถนานิพพานอันนี้อยู่แล้วพ้นการเจริญวิปัสสนาการปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนจึงน้อมเพื่อที่จะให อริยมรรคเกิดน้อมเพื่อที่จะแทงตลอดนิพพานเนี่ยนะหรืออีกสัตทั่วไปก็บอกว่าพระนิพพานพระพุทธเจ้าสแสดงไว้แล้วนะบางสูตรเนี่ยบอกเลยนะว่าพระนิพพานนี่พระพุทธเจ้าเปิดเผยแล้วนะก็อีกอย่างหนึ่งจงพอกพูนทางแห่งสันติเถิด น, นะอริยมรรคเนี่ยอีกชื่อหนึ่งว่าทางแห่งสันติคำว่สันติเป็นชื่อของนิพพานเพราะฉะนั้นเธอจงพอกพูนเนี่ยทางแห่งสันติเถิด ทีนี้ทางอันนี้จะเกิดขึ้นได้ก็เพราะสัญญาหรือปัญญาหรือวิปัสสนาทั้งหลายเหล่านี้ที่นี้ถามว่าเมื่อเราเข้าใจแบบนี้แล้วพอไหมนะนึกถึงหมออินทสอนยังเดินมาไม่ถึงเลยกันไดแล้วปกติจะถามอ้าวก็เข้าใจอยู่แล้วว่างั้นว่ามันไม่เที่ยงนะก็รู้อยู่แล้วว่ามันไม่เที่ยงรู้อยู่แล้วว่ามันเป็น อนาตารู้อยู่แล้วว่ามันไม่งามรู้อยู่แล้วว่ามันมีโทษอะ่ะพอไหมแบบนั้นเถอะจะต้องเอาไปเจริญอีกไหมอ่านะเป็นคําถามที่ดีมากถามว่าทําไมจึงว่าดีเพราะว่าจะได้เห็นว่าหลายท่านพอเข้าใจอย่างนี้แล้วพอเลยคือไม่ได้คิดว่าสิ่งเหล่านี้ต้องเอาไปไปเจริญพอกพูนก็ไม่ได้ทํากิจในสิ่งที่ควรทําเพราะฉะนั้นก็รําพึงรําพันอยู่อย่างหนึ่งว่าฉันก็รู้อยู่แล้วว่าทําไมจึงละกิเลสไม่ได้อ่านะหลายคนก็บอกว่า เอ๊ก็อริยสัจก็รู้อยู่แล้วอ่ะทําไมเขาไม่บรรลุว่า ง, งั้นเถอะเขารู้อะแต่เขารู้แบบเขาไม่ได้พอกพูนเนี่ยนะรู้รู้แบบไม่ได้พอกพูนทีนี้ถ้าจะกล่าวแบบพอกพูนเลยนะสรุปทบทวนอีกครั้งหนึ่งพอเห็นใครหรือวัตถุใดให้มองคิดเป็นขันห้าไหมให้คิดเป็นขันห้าก่อนเพื่อจะได้พิจารณาขันห้าอันนั้นโดยความเป็นของไม่เทียง หรือภายในก็ตามภายนอก ก, ก็ตามก็คือขันห้าทั้งนั้นแหละทีนี้ขันห้าภายในกับภายนอกมันเกี่ยวข้องกันเนี่ยมันเกี่ยวข้องด้วยอะไรเกี่ยวข้องด้วยอายตนะเนี่ยนะเมื่อเกี่ยวข้องกันก็เกี่ยวข้องกันด้วยอายตนะ ท, ทีนี้วัตถุที่รองรับอายตนะอันนั้นนะคืออะไรก็คืออาการ32สอง่ะ น, นะวัตถุที่รองรับอายตนะอันนั้นทีนี้ไออาการสมสองมีโรคมมีโทษหม ก็คิดแนวทางอันนี้น่าจะเจริญได้ไม่ยากนักนะถ้ามีศรัทธานะถ้าพูดถึงมีศรัทธาถ้าศรัทธาในอริยมรรคกับนิพพานก็ต้องเจริญธรรมะเหล่านี้เพราะถ้าไม่เจริญอย่างนี้สิ่งที่เกิดคืออกุศลวิตกจะเกิดแทนนะไม่มีใครที่ไม่คิดคนที่ไม่คิดเนี่ยคือคือใครคือคนที่ไม่มีจิตใช่ไหมมีอยู่สองท่านที่ไม่คิดคือคนตายกับคนที่เข้านิโรธสมาบัติเนี่ยคือคนที่ไม่คิดที่เหลือ มีจิตหมดเมื่อมีจิตจิตธรรมชาติที่รู้อารมณ์หรือคิดถึงอารมณ์ทีนี้สําคัญมันจะคิดอะไรถ้าไม่เจริญตามสัญญาเหล่านี้นะไม่เจริญตามคําสอนเหล่านี้ก็เจริญ อ, ก, ก, อ, อกุศลวิตกเออแล้วอกุศลวิตตกเกิดมันเสียหายตรงไหนใช่ไหมันก็คิดอย่างนี้มาตั้งนานนะเสียหายหรือเปล่านะใครอยากจะให้เสนอมาสักท่านนะถ้าอากุศลวิตกเกิดขึ้นมันเสียหายอย่างไรบ้างนะ ให้ให้ผูก้การหัวหน้าเลือกเอาผู้ที่สมควรตอบกันแล้วกันอาหก ยาแห้งสัตว์ที่อาศัยยาแหง้งมันหรือสัตว์ที่อาศัยไม้เหล่านั้นก็จะถึงซึ่งความคิดท้ายส่วนเดียวหมายความว่าถ้ากุศลกรรมไม่เกิดเนี่ยากุศลกรรมเกิดแน่นอนเมื่อกุศลกรรมเกิดอย่างน้อยเนี่ยนำาพใหม่มาให้เป็นไปกับความ เพื่อนในมีไหมเห็นโทษอกุศลไม่ตกแล้วเกินเลยนะก็จะเห็นปกตินะทั่วๆไปจะเห็นบ้างก็ตอนจะเจริญกรรมมาถามที่เช่นจะเจริญพุทธานุสติตจังไหมเอ๊ะทาไมมันคิดไปเรื่อยเล ย, เยไม่ดีเลยอกุศลไม่ตกอันนี้นะแต่ปกติถ้าไม่คิดจะเจริญกุศล น, นะก็ไม่ได้นึกว่ามันเสียหายอะไรใช่ไหมไม่ค่อยนึกว่าเสียหายจริงๆแล้วนั่นคือความเสียหายเป็นอย่างยิ่งอันนะ้ เพราะว่าอกุศลวิตกอันนั้นโดยชื่อตามมักเรียกว่ามิจฉาสังกปะมิจฉาสังกปะอนันนัเนี่ยเราเคยคิดไหมว่านี่มันเกิดจากมิจฉาทิฐินะเพราะเราเข้าใจผิดเพราะเราเห็นผิดนะมันจึงมันจึงมามาคิดผิดแบบนี้นะจึงมาเป็นกามวิตกเป็นพยาบาทวิตกเป็นวิหิงสาวิตกแล้วเราเห็นผิดยังไงนะก็ลองมาทบทวนนะเราเห็นผิดยังไง หนนะถ้าเห็นถูกมันต้องกรรมมศกตาใช่ไหมทั้งหมดที่เห็นเนี่ยเอาอะไรมาเรื่องกรร ม, มาคิดอะไรบ้างมีกรร ม, มสกตาไหมต่อไปอีกถ้าเห็นถูกสูงสุดคือเห็นเป็นอริยสัจคือเห็นทุกสมุทัยนิโรธมัตทีนี้ถ้าทุกขาริยสัจคือสิ่งที่ไม่เที่ยงเป็นทุกและเป็นอนัตตาถ้าสมุทยัยอริยสัจคืออกุศลทั้งหลายที่นําเกิดในภพใหม่ ตันหาโปโนพระวิการนั้นที่ราคาสหคตาตัตตะตตตราพินันทินีเสยยะที่ทางการมาตันหาภวะตันหาวิภวะตันหาเนี่ยนะตันหาที่มันเกิดแล้วมันเพลิดเพลินอย่างยิ่งในอารมณ์นั้นอ่ะอารมณ์นั้นอ่ะอารมณ์ที่ชอบนั่นแหละตัวนั้นแหละนําเกิดในภพใหม่โปโนพระวิกาก็มาจากปุณะภาวะเนี่ยนะก็ตัวที่ทําให้เกิดในภพใหม่อีกต่อไปเนี่ยนะแต่ คุณหมอเขจะมีชื่อของเขา ส, สับสับเรียกคุณหมอเรียกชื่ออะไรนะวัตตะอะไรนะทูเรวัตเนี่ยนะทุเรแปลว่าไกลนะวัตตะแปลว่ากรรมวิบากและกิเลส ท, ที่มันสัมพันธ์กันไปนะทุเรก็ไกลนะครสรุปว่าโอ้เวียนไหวตายเกิดอีกนานสรรหาได้นะเก่งมาก มันถ้าหากว่าเห็นโทษของอกุศลวิตกเหล่านี้แล้วก็ให้น้อมจิตไปเพื่ อ, อ น, นี่พานเถิดเพราะว่าทางแห่งความสงบเหล่านั้นพระพุทธเจ้าสอนไว้แล้วทางอันนั้นนี่คืออะไรเอาทบทวนนะเ อ, เ, อเอาเอาเาดี๋ยวเอาคนอื่นดีกว่าที่พูดไปนี่เขาเข้าใจอะไรไปบ้างนี่เอาใครดีนะที่ไม่ปล่อยไกลในห้องมากคือค้าให้เขาเสียหน้านะเขาจะกโกรธ อันนั้นต้องรักษาโอ้โหอนี่ตรงนี้สำคัญมากอันนั้นอย่างอื่นก็ไม่ค่อยเท่าไรแท่านรอาจารย์ขอพูดตรงนี้นิดเดียวนะคนที่เสียนานเป็นคนที่กล้าแล้วก็สะาดขึ้นมานจงโง่ตลอดได้ไหก็ไปยอมเสียเราก็ต้องยอมเสียนิดหน่อยจจะได้ความรู้านะ่ฮะไอตรงนั้นแหละเขาเสียได้กว่าเสียสตัง์อีกเโดยมากโดยมากมันโอ้ถลระมานะได้ป่านนี้ได้ดีไปตั้งนานแล้วย อ, ลอย่างนะ ไม่ว่าเดี๋ยวเขาไม่เอาเขาว่าล่วงเกินผู้ใหญ่เสียก็็เเนจะปดแต่แต่คนนีิลาวรรณนี่คิดตามสภาวะเขบอกนึกถึงก็ความอันนี้ในเวราญจการนะคุณนิราวรรคือเวรัจการเนี่ยเวรัญชพราหมเขาอายุร้อยยี่สิบนะนะเขาไปถึงก็บอกว่าพรสมณโคดมเนี่ยไม่ไหวบุคคลที่เจริญเลยไม่ไหวคนสูงอายุไม่ไหวผู้ใหญ่นะนะ สำนวนว่าไม่รู้จักที่ต่ำที่สูงไม่รู้จักลูกต้อนรับผู้หลักผู้ใหญ่ไม่รู้จักไหว้ผู้ใหญ่เนี่ยนะซึ่งแนตาตกถาอธิบายว่าแกไม่รู้รกว่าแกจะเป็นทารกวันนี้พรุ่งนี้ก็ยังไม่รู้ตัวอีกว่างนะั้นผู้ใหญ่ที่ไหนจะเป็นทารกอยู่วันยังค่าอยู่แล้วว่างั้นนะอันนี้พูดแบบคนที่เขาคิดชั้นสูงอะนะแต่อย่าคนแบบธรรมดาก็อย่าไปคิดแบบนั้นนะเพราะว่า อภิวาทนาสีลิธสนิจจังวุทาปจายีโนใช่ไหมจตาโรโธรมมาวันติอายุวันโนสุขขังพลังเลยนะผู้ที่อ่อนน้อมต่อผู้ที่ควรอ่อนน้อมผู้ที่เจริญด้วยวัยวุฒคุณวุฒชาติวุฒเป็นต้นนะถ้าไปนอบน้อมในท่านเหล่านั้นอันนั้นเนี่ยเป็นเหตุแห่งเป็นเหตุให้เจริญด้วยอายุวรรณะความสุขนี่ยนะ มันก็ถ้ามองในระดับศีล น, นะแต่ถ้ามองในระดับวิอรยสัตว์วิปั ส, สนาชั้นสูง น, นเขาคิดถึงเรื่องวัยทารกบอย่างพรุ่งนี้ประรินนี้ก็ยังไม่รู้อีกากนแสดงว่าวัยและอายุนี่ไม่ใช่ปรมัต เ, เป็นบญญคือสังสารวัตนะถ้าถ้าไม่เอากุศลศีลมาวัดนะถ้าเอาแบบ อ, อ, อริยสัตว์มาวัดเนี่ยไม่มีใครก่อนใครไม่มีใครหลังใครเนี่ยนะ เพราะว่าสมมติ น, นะถ้าถ้าอย่างใครไปเกิดเป็นทารกใหม่นะของเรานี่จะเป็นรุ่นลุงรุ่นอะไรแล้วมันจะเปลี่ยนมันจะสับกันไปอ่ะนะอีกพักหนึ่งเป็นพ่อแม่กันอีกพักหนึ่งจะไปเป็นลูกอีกพักหนึ่งเป็นพระบุรุษอีกพักหนึ่งมาเป็นปู่กันแล้วอย่างเงี้อาจจะเห็นพระโพธิสัตว์เนี่ยถ้าอ่านชาดกมาจะเห็นชัดพระโพธิสัตว์นี้เป็นต้นวงอ่ะนะสร้างวงไว้ชื่อคือวงของพระเจ้ามัคะที่วงนี้จะออกบวชออกบวแล้วจเจริญฌานแล้วเข้าพระมรรคพอแล้ว ก็วนอยู่อย่างเนี้เสร็จแล้วไอ้ต้นตํำรับต้นบานภาพบรุษที่ตั้งวงเนี่ยมาเกิดเป็นเเลนกน็รุ่นนี้อีกใหม่นี่นะมันก็วนกันอยู่อย่างนี้ไม่รู้ใครก่อนใครก็ไม่รู้ไม่รู้ใครหลังใครอ่ะนะเพราะวัดตะมันมันทางไกลอ่ะนะไม่รู้ว่าใครมาก่อนใครไปก่อนใครเนะี <c> ่ย <oughs> แต่ทีนี้ว่าโดยทั่วๆไปเขาพูดแล้วก็คำคำํำธรรมะทั่วๆไปคําพูดแล้วต้องเป็นไปเพื่อการเจริญใน กุศลทีนี้ถ้าพูดบางอย่างถ้าเป็นไปเพื่อดูหมิน่นดูแคลนก็กุศลละศีลก็ยังไม่ได้เนี่ยนะแต่แต่ที่กล่าวไปเมื่อกี้เนี่ยพูดในระดับพิจารณาแบบอริยสัจเนี่ยนะซึ่งชารามรณะก็ถือว่าจะสิ้นสุดในวัดในชาตินี้แล้วนะจะเริ่มเกิดในชาติใหม่อีกแล้วเนี่ยนะก็เพื่อที่จะได้อะไรจะได้เห็นภายในชาราและมรณะซึ่งมีชาตเป็นต้นกาเนิดเนี่ยนะ ทีนี้ถ้าผู้ที่เจริญพุทธคุณบทว่าพผ้ า, ารหังเนี่ยนะระหังรหังแปลว่าหักซี่กรรมที่มันจะทําให้ไปชาราและมรณะอีกแล้วเนี่ยนะมีมีครั้งหนึ่งนั่งเครื่องไปเครื่องมันสะดุดนี่นะปุ๊บเราก็นึกถึงนี้ถ้าเราตายตอนนี้เราก็ปฏิสนธิใหม่อีกสิแล้วตอนนั้นจะกําลังเจริญพุ้ทศคุณบทว่ า, ารหังนะพระพุทธเจ้าไม่ต้องเกิดอีกนั้นอีกแล้ว น, นะก็ก็ถ้าตรง น, นั้นก็คงไปดีบ้างนะนะคิดถึงว่าพระพุทธเจ้าอยู่ ก็น้อมๆคิดถึงพระพุทธเจ้าเอาไว้เยอะๆนะคุณไมลาวันหรือว่าจะอยู่คำฟ้าก็ไม่เป็นไรไ ม, ไม่ค่อยไหวแล้วนะปีนี้กับปีที่แล้วไหนกระปรีก้กระททเป๋า ก, กัน อ, อ, อ, อ๋อแสดงว่าเอาจิตเป็นเกณฑ์นะเขาไม่เอาร่างกายหรอก